จะให้เทศเรื่องอะไรหน้าตาซ้ำๆเท่านะนั้นเพยหมอจะฟังเรื่องอะไรเรื่องแล้วแต่หลวงพอ่อมีใครเคยฟังหลว ง, งพ่อเทศั้งทางซีดีหรือวิทยุเพราเยอะนี่นะมีหน้าละ่ะไม่มีธรรมะ จ, จะเทศละ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 เนี่ยเราดูร่างกายเขาทำงานไปดดูเหมือนเราดูคนอื่นดูเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวกาลังทำงานเนี่ยดูกายอย่างนี้ดูเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอย่างตอนนี้หุ่นยนต์กำลังนั่งอยู่เยอะแยะรู้สึกไหมมีหุ่นยนต์สองสามตัวเดินอยู่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่นั่งนีเราก็รู้สึกนะเราไม่ต้องดูคนอื่นเรารู้สึกที่ร่างกายนี้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 ไปเรื่อยๆพุทธโพุทโท ร, โทรไปเรื่อยใจเราสงบนี้ท่านพอลีท่านอยู่มาอีก2ปีท่านก็สิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นวิ ป, ปัสสนาเนี่ยทำแต่สมถะอยู่22ปีเสียเวลามากเลยงั้นพวกเราอย่าไปนั่งทำแต่สมถะนะผู้ปฏิบัติส่วนมากติดสมถะเกือบร้อยละร้อยเลยเพิ่งมายุคนี้แหละที่ตื่นขึ้นมาได้เยอะแ ย, ยะเป็นพันพะันคนก่อนหน้านี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนติดสมถะ นั่งหายใจแล้วก็เงี้ยหายใจใจมันก็เงียบเงียบสบายสบายเงียบเงียบโง่โงเงียบเงียบแบบโง่โงไม่รู้อะไรนั้นเราต้องหัดวิปัสสนาให้ได้นี้หลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลเด่นกุมพาปี 2.5 ้าพันีไปกราบท่านนะไปถึงก็บอกท่านเลยบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ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 ทำได้สกิทาคาเนี่ยสติจะวัยมากเลยเพราะกิเลสไหววับสติเห็นแล้วขาดสะบัน้นขาดสะบั้นลงไปท่านถึงสอนว่าพระสกทาคานั้นกิเลสเบาบางเบาบางถึเพราะไม่มีโอกาสเกิดนะเกิดได้ไม่นานแปบ๊บเดียวนะถูกทําแท้งไปนะนะแล้วแวบเดียวแวบบเดียวขาดไปขาดไปนะถัดจากนั้นก็ดูกายดูใจของเราต่อไปอีกนะปัญญามันจะแจม่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นๆนะร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา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 เราไปจงใจบีบมันเองรู้เลยปล่อยให้มันลอยลอยแล้วก็ไม่ได้ลอยไม่ได้ป ล, ปล่อยให้มันลอยจิตลอยไปรู้ว่าจิตลอยไปไม่ได้ปล่อยให้ลอยนะแ ค, แค่รู้แค่รู้ว่าจิตลอยอย่าไปบังคับจิตจิตเหมือนเด็กเด็กไม่ชอบถูกบังคับแต่ว่าเราจะปล่อยเด็กตามยาถากรรมก็ไม่ได้นั้นเรามีหน้าที่แอบดูมันเป็นระยะระยะชำเลืองดูมันไปะถ้าเมื่อไหร่เราไปบังคับจิตมันก็เหมือนบังคับเด็กะ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 บ้านโยู่นครปฐมอ่ะเออมาหัดเรียนกับหมอนัดหมอผมสันอ้าวเบอร์สองวันนี้ยังทำแต่สมถะยังได้สมยังไม่ขึ้นไม่ปาสนาณนะจิตเนะในเบอร์สองอยู่นะโยมไปส่งกันบ้านเมื่อสั์ตุลาปีที่แล้วตอนนั้นคือมันเห็นแต่เกิดเกิดดับๆหลวงพ่อเขบอกว่าให้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 พอเดินไปแล้วใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกรู้ว่าใจลอยถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆเนะี่ยจะไม่หลงนานของโยมมันไม่มีแรงแล้วจิตมันหลงนานตอนนี้รู้สึกมันอ่อนมากเลยเออนั่นแหละไ ป, ไปเพิ่มแรงก็ด้วยการไปเดินเดินจงกรมนะเดินเป็นไหมชอบเดินไงเดินให้ดูได้ไหมก็เดินเอามาเดินเนี้ยเ <laughs> อามาเดินโชว์ <laughs> เห็นไหมขาดสติเห็นไหมอ่าพอละนั่งได้ <laughs>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 S <S <S ไม่รู้หรอกเพราะแอบไปคิดเ <N un> <N un> นี่ยรู้รู้โลกปัจจุบันไปได้รู้สึกไหมจิตเริ่มมีแรงขึ้นแล้วเนื่อเพราะเราเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์ใหม่ๆมากระทบอยู่เรื่อยๆนะแล้วเรามีสติตามดูเรื่อยๆ <N un> อยา่างตอนเนี้ยมาตั้งใจฟังแล้วรู้สึกไหมมารอฟังแล้ว <N un> ให้รู้ทันนะจิตไหลไหม่อยู่ที่หลวงพ่อแล้ว <N un> เอาไปเบอร์สามไปเดินจงกรมนะวันนี้อยา่าขี้เกียจเดิน มีกี่เบอร์ละแอสตันมี20่สิบล้อยี่สิบชั่วล้อเหอไว้ครับอ้าวอาว่ า, ามาเบอร์อะไรละเบอร์3อยู่ไหนเบอร์3อยู่ไหนครับคุณยายเหลอคุณยายแล้จะอ่านแทนคุณยายนะครับผ ม, มครับขอถามว่าเราทำบุญ1ชุดมีข้าว1ถุงกับ1ถุงของหวาน1ถุง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 ตัวละครมีอยู่สองสามตัวมีคนดูสมมุติลุงเลดติ้งสูงดูแสนคนมันก็สนุกแสนคนน่ะมันไม่ต้องเฉลีย่ยความสนุกไปเหลือคนละนิดเดียวนะหลวงพ่อครับยังมีคําถามหนึ่งของคุณยายครับผมอ่าว่าไปคือเตี่ยแม่เป็นคนต่างดาวไอ้ต่างด้าวครับหือขอโทษครับเป็นคนต่างด้าวครับผม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 กราบหลวงพ่อค่ะอ้าวว่าไงเจ๊ได้มีโอกาสมาส่งพ่อคะ่ะเพราะว่าจิตมันซึมมาค่ะหลวงพ่อจิตมันซึมนะมันต้องหาผัสสะมากระทบอย่าปล่อยให้มันนิ่งกระตุกกระเดกไว้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไวนะ้คิดถึงลูกไหม <c oughs> ลูกเรามันดือ้อนะ <c oughs> เปล่ลูกเรามันดื้อนะใจเราคิดถึงมันเราก็โมโหอย่างเงี้ย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 ชอบชอบบง่งวงเหรอคะซึมแล้วจะง่วงซึมแล้วจะง่วงเลยคะ่ะเวลากราบพระละค่ะทํ า, าทไมละ่ะขึ้นไปกราบพระแล้วมันจะซึมแล้วจะง่วงมากลคะค่ะแล้วก็ <c oughs> เริ่มกราบตั้งแต่ยังไม่ทันจะง่วงสิ <c oughs> <c oughs> ก็สองทุ่มกว่ า, ว า, ว า, ว า, วาละค่ะเอากราบตั้งแต่ตื่นเลยยังไม่ทันจะง่งวงหรอกนี่หมดแรงแล้วนะที่ไปสวดมนต์ใจมันหมดแรงเลยค่ะเราเอาตั้งแต่ตอนที่ยังมีแรงสิตื่นนอนมาเรารีบไหว้พระก่อนเลยเอากําไรไว้ก่อน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 การที่เราเห็นมันแว บ, บมาแว บ, บไปซ้ำแล้วซ้าอีกนะนานไปเนียปัญญาที่เกิดจากการภาวนามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นความจริงว่าจิตเนียเวลามันจะแว บ, บมันก็แว บ, บของมันเองเราบังคับมันไม่ได้นั่นปัญญาที่แท้จริงถึงจะเกิดปัญญาจากการคิดจากการอ่านจากการฟังนมันไม่พอที่จะสู้กับกิเลสกิเลสไม่กลัวเพราะปัญญาจากการอ่านสมมติเราอ่านพระไตรปิฎกรืออ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์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 มันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราอย่าตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจไปคิดมันแอ บ, บไปถ้าเกิดสภาวะที่ว่าใจลอยไปไว่าใจไปไหนก็ตามนะฮะเกิดทุกคลาสหรือเกิดภาวะเมืนกัคลายโมกขาแต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันกำลังเกิดตรงนี้อยู่ตรงนี้กำลังควบคุมเราอยู่ก็ต้องนับถือว่าใช่ได้ใช่ใช่ได้ไม่ผ่องใสไม่ผ่องใสไม่เป็นไรให้รู้ด้วยความเป็นกลางตัวสําคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลาง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 ปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกอย่างตอนเนี้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมเรื่องบอกแล้วทราบเพือย่างดีบางคนบอกแล้วเถีย ง, งอกีกนะหลวงพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเราบอกใจลอยแล้วแหมมันโมโหเรานะสบัด <c oughs> <c oughs> ดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะโอ้โหน่ากลัวมาบับสรุปรวบยอด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 จะอยู่กับพุทธโธก็ได้ท่องพุทธโธพุทธโธไปนะเราใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดคนะท่องไปมากๆนะพอใจแอบไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ต่อไปพอใจไหลไปคิดปั๊บสติเกิดเองเลยรู้เองจินะตขนาดนี้กับเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะ เ, เมื่อกี้มันมืดกว่านี้ดูออไหม ถ้าใครรู้สึกปไปอย่างเงี้ยพอรู้สึกรู้สึกนะแจมันโล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จตะเกียบหลงแล้วค่ะพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอา้าวเบอร์ต่อไปเบอร์อะไรแล้วล่ะกราบนมัสการหลวงพอ่อครับผมเพิ่มพหลวงพอ่อครั้งแรกก็จากการฟังซีดีหลวงพอ่อก็พยายามสุดเลยครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ย แล้วก็กำหนดการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยพิจารณาธาตุสี่ปฏิปูลปสุกรมฐานจนจิตแสดงให้เห็นไตรลักษณ์ให้รู้ว่าร่างกายเป็นอยาา่างไรการกึงแบบนี้บางครั้งก็จะกลายเป็นสมถะพอดานะใช่ทำอย่างนั้นส่วนมากกลายเป็นสมถะ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 คุณมาลีง่วงกว็รู้ว่าง่วงเว้ยเอาเบอร์อะไรละเบอร์เครับอยู่ไหนเนาะเบอร์สิบ ย, ยกมือหน่อยครับอยู่ข้างหน้านะครับนัการื่องกา่แได้จากงดเดี๋ยวๆอยู่ในนอ่อก็เริ่มจากแฟนฟังซีดีแล้วก็ได้ฟังเป็นเการอนะคะแล้วก็เรื่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 เป็นคนดูอยู่ห่างๆไดต้องฝึกอย่างนี้ถึงใช้ได้เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางา น, นเริ่มกลับไปเพ่งอีกแล้ะถ้าเข้ามาช่องนี้ไปไม่ได้ลนะผมไม่เห็นช่องนี้สักครั้งเลยครับ <het> ให้ใหยับจงใจปฏิบัตินะพอมันหลุดออกมาแล้วตอนที่มันจะกลับเข้าไปเนี่ย <het> คอยรู้ทันหันไปดูทางโน้นนู้นไปเนี่ยแกล้งหันอย่างเงี้ย <het> ใจมันไม่หลุดออกมาอย่านี <het> ้ผมต้องยังไงดีครับทำทำเล่น พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วใจมีความสุขก็รู้พุทโธพุทโธแล้วใจไปล็อกไว้ก็รู้นะพุทโธไปพุทโธแล้วดูใจไปเล่นเล่นมันล็อกไม่หยุดเลยครับรู้สึกมันล็อกไม่หยุดเลยครับท่านยิ่งเราเกลียดนะมันยิ่งล็อกยิ่งเราเกลียดเราก็ยิ่งจงใจไปดูมากขึ้นมากขึ้นว่าทํายังไงมันถึงจะหลุดอย่างเงี้ยยิ่งล็อกหนักกว่าเก่าต้องเลิกปฏิบัติแล้วมันก็หลุดทันทีร้องเพลงเป็นไหม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 อยู่ที่ไหนอืมพ่ออยู่งนี้ค่ะอเอาว่าไปเอาแล้วพวกที่จะมาส่งกันบ้านนั้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อพิการ <c oughs> ให้หลวงพ่ อ, อยังอยู่ข้างเดียวก็จะขอส่งกันบานพ่าว่าี่ะดูวคเห็นก็ดูดูให้สบายๆนะดูเล่นๆ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 แล้วก็ทุกวันนี้คือบางทีเห็นตัวเองโกรธนะคะแล้วเหมือนใจตัวเองจะเต้นออกมาจะดุออกมาอะไรนะเหมือนตัวเองโกรอนะคะนะแล้วเห็นว่าใจมันเต้นแล้วมันก็จะดุออกมา <im it> <hed> จากดีแล้วบางวันก็เห็นว่าตัวเองมีความสุข ก, ก็จะมีความสุขทั้งวันบางวันก็เห็นว่าเองมีความทุกข์ก็จะทุกข์ทั้งวันอยู่นคะคะ <im it> มันก็จะสลับสลับกันไปมะคะ่ะคือเลยไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่เนี้ถูกหรือเปล่าหรือว่ามันหมดลงทีเยไปดูเรื่อยๆนะใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันแล้วต่อไปเราดูให้ละเอียดขึ้นไปอีก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 เห็หรือถูกเจ้าคะ่ะถูกสิเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะดูไปไงั้นถูกแล้วละ่ะแล้วหลวงพ่อเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะเพราะว่าโอกาสท<จ>ี่ จ, จะไปใจมันนิ่งเกินไปเจ้าคะ่ะใจมันติดความนิ่งเกินไปให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบ้างเจ้าคะ่ะอย่าไปประคองให้นิ่งเจ้าคะ่ะอาไปคนต่อไปขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ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 คือโยมเนียค่ะมีธาตุไฟร้อนร้อนมากนะเจ้าค่ะแล้วไงล่ะธาตุไฟเยอะเหรอค่ะแล้วเป็นไงไม่เห็นจะเป็นอะไรก็รู้ว่าร้อนเจ้าค่ะอืมเราก็คิดถึงอะไรที่มันเย็นเย็นไหมค่ะเจริญเมตตาไว้ให้มากๆแล้วค่ะเพราใจของเรามันไม่ใช่ธาตุไฟอะไรหรอกมันมีโทสะเยอะค่ะโทสะนั่นแหละร้อนมากนะเจริญเมตตาบ่อยๆนะแล้วก็บางครั้งนะคะ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 รู้สึกไหมจิตขณะนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเมื่อกี้ก็มันเครียดใช่ตอนนี้มันคลายออกจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆนะสาธุเจ้าค่สาธุแปลว่าดีกราบน้ำมการพระอาจารย์ค่ะันเคยนะเดียนะเมือสิบห้าหลงแล้วรู้สึกไหมเผลอไปตั้งนานตั้งแต่ส่งใหม่เลยลืมกายลืมใจ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 เห็นมันกระทบอารมณ์นะเห็นมันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงดูมันไปเล่นๆอย่าไปบังคับมันนะการปิดวาจาเนี่ยท่านให้มีความสำรวมหมายถึงมีสตนะิสัมมาวาจาไม่ได้แปลว่าไม่ให้พูดใช่ไหมสัมมาวาจานะพูดความจริงใช่ไหมพูดโดยเห็นมีประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดถูกกระราะเทศะพูดสุภาพอ่อนโยนเนั้นชาวพุทธไม่ได้ฝึกให้ไม่พูดนะ